อันธมายังสังคาพิขีติงการมะเซนศสาสธรรมมโชสุปฏิปฏิกุณาที่ยุนโตพระสง์ที่เกิดโดยพระศาสธรรมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้น โยตัปิโทอารียบุคคาสังคาเซโทเป็นหมู่แห่งพระอาริยบุคคอันประเสริฐแปดจำพวกศีลธรรมมาปวารสยากายะจิตโตมีกายและจิตอันอาศัยทรมีศีลเป็นต้นอันบวร วันธราาังตามาริยานาคนังสุสุทังข้าพระเจ้าว่ายมูแห่งพระอริยเจ้าเหล่านั้นอันบริสุทธิ์ด้วยดีสร้างคโคโยสภปาปานีนังสรนางเคมามุตตามัง พระสงฆ์หมู่ใดเป็นสารณะอันกเกสมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายตติญานุสติธานังวันธามิตังสิเรณังข้าพระเจ้าว่ายพระสงฆ์หมู่นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สามด้วยเสียนกล่าว สังขาดสาหัสามิทาโซวาสังโคเมสามิกิสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของประสงฆ์ประสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าสังโคทุกขัสขาตาจะวิทาตาจหิตัสสเม พระสงค์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าสร้างคาดสร้างนั่งนิยาเทมิสาริรันชีวิตันจิทังข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงค์วันทันโตทั่งจริสามี สร้างคาดโซ่ปฏิปันธ์ตังข้าพเจ้าผู้ว่ายู่จากประพฤตตามซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นาทิเมสรนังอันยังสร้างโคเมสรนังวารังสารณอื่นของข้าพเจ้าไม่มี ประสงค์เป็นสารณ ะ, ะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสัจวาเชนาว่าเธอยังสัตว์ทุศานสด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา สังขังเมวันทมาเนนายังปุญยังปะสุตังอีธาข้าพระเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระสงฆ์ได้ควรกวายบุญใดในบัดนี้สบเพปิอันตารายาเมมาเทสุงตัสเตจาัสา อันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแกฆ้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญ น, นั้นกายเยนวาจายวาเจตาสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจยก็ดีสร้งมมงางเคกุกรรมปะกตังมายายัง กรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทําแล้วในพระสงฆ์สร้างโคปฏิคันหตุอัจจะยันตังขอพระสงฆ์จงงดซึ่งโทษล่วงเกินา น, านันนันการันตะเรสังวริตุงวะสังเคเพื่อการสํารวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไป